แต่ตอนนี้พระเดินก็จะไปช่วยงานทำพระมาเซออย่ันพรุ่งนี้ไปดูสายมือสีสห้าสิบหกแล้วเกือบปลดวัดงานใันจะเป็นอะไรก็จะเพิ่งเป็นอาตอนนี้พระไม่พอ คนนี้จันเข้าจันพรเไจ็ดก็พากตื่ไปเกือบเือบหมดวันพุนิกาพาาระประธานก็ตามสภาพอัน่นคืองานแรกงานที่สองถ้ำพาปองเพิ่งผ่านเดนเราก็ต้องไปช่วยหลังจากนั้นสีวันสองสามวัน งานของเราก็ถือเป็นงานใหญ่ตอนนี้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยก็ถือว่าเป็นเป็นเหตุบุญคือเป็นเหตุที่ให้เราทำบุญหรือเป็เหตุบาทเป็นเหตุที่เราทำบาปมนุษย์นนคนเราเนี่ย ไม่ทำบุญมันก็ทำบาปสองอย่างนั่นะให้แต่ละวันแล้ก็พูดถึงคำว่าบุญรเราปฏิตั้งการทำบุญนะบุญเกบุญยากเรยาวยาหรืออาการการทำบุญโดยย่อหรทานเสียงภาวนาคุ ย, างงายังไงแต่ว่าก่อน ไปทานเสียงภาวนองเอาแค่ทานซึ่งส่วนใหญ่คนไปเน้นที่ทานต้องเน้นว่าคนส่วนใหญ่ไปเน้นกันทำบุญที่พอไม่ได้ลปส่งองค์เจ้าพราณาเรื่องทานนี่แหละทานแล้วได้นั้นได้อนี้คือเอาความอยากเข้ามาลอ คงที่มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเป็นทานมากไรนน้เนาะทานอนันด้อันนี้ก็เขียนพลานาจริงๆแล้วทานเนี่ยอะไรก็ได้เทวตุที่มันบริสุทธิ์ก็คือก่อเทีเ่ยนทานก็บริสุทธิ์ ของที่เป็นทานคือไถยทานก็ต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ชุดสองกันคือใจใจมันก็ต้องบริสุทธิ์โดยองค์ประกอบก่อนที่จะทําทานใจเราก็เป็นบุญขณะที่ทําทานอยู่ก็เป็นบุญทําไปแล้วก็เป็นบุญ น, นี่ว่าบุญโดยสมบูรณ์่ก่อนที่เป็นทานมันก็ไม่เป็นบุญ ทำทานอยู่ทั้งๆที่เจตนาเป็นทานามังว่าเป็นหุญร้อยเปเซ็นไปแล้วก็ไปเสียดายเรื่องทานปัญหาเรื่องทานนี่แค่ทานคำเดียวนะทำไปช่งางง่ายๆเพราะนั้นก็ถือว่าเรายังมีโอกาสทั้งหมดเร็วบุญ ยังมีบุญของผู่ประสิทธิ์ถึงบอกว่าคนมีบุญถึงได้ทำบุญทางหมดบุญเมื่อไหร่คิดใจมันหมดใจไม่เอาก็คนไม่มีบุญน่ะจะยังคันก็คือหมดโอกาสที่จะทำบุญ อ, อันนั้นยินห่หนักเก่เาเล พวเราเือกำลังอยู่ก่อนคำว่าบุญเนี่ยมันกว้างแค่คิดมันก็เป็นบุญแล้วจองกระทำแค่คิดมันก็เป็นบาปแล้วมันทุนมันก็ต้องได้ฝึกฝึกวิธีคิดคิดยังไงอมันเป็นบุญคิดยังไงไม่รู้มันเป็นบาปรู้อย่างมันไม่พอต้องลงมือปฏิบัติ คือทาให้เป็นบุญอย่าทําให้เป็นบาปคนฉลาดนี่ือฉลาดคิดทาให้ฉลาดมันก็เป็นบาปอันนี้คิดพูดเต็มพูดคือวาจาคือปากใ น, นพุทธเจ้าต้องบอกว่าบางคนก็ปากอูชาบางคนก็ปากดอกไม้บางคนก็ปาก น้ำผึ้งปากสามประเภทปากอุจระนี่มัต้องไปบรรยายมัต้องภรวนามันปากอุจระยิงปากนั้นเป็นต้นต่อ อ, อุจระอยู่แล้วถ้ามันไม่เข้าปากมันก็ไม่มีอุจาระปัสสาวะได้เห็นไหมอย่าไปคิดว่าปากนั้นมันเป็นบนอย่างเดียวนะมันเป็นอุจระเป็นปัสสาวะ หรือกว่าปากเมนในปากคนเขเป็นได้ทุกอย่างปากดอกไม้ดอกไม้บนแจกันสวยๆงามๆคือคนเรียงร้อให้ถ้อยคำคนที่จะพูดก็ได้สแสดงออกคิดซะก่อนว่าจะพูดอะไรพูดออก ม, มามานสวยงามเหมือนดอกไม้หลากสีที่บนแจกันไหมดอกไม้ก็ามาหลายที่หลายทาง เที่ยวสีขาวสีส้พมพอมาอยู่ที่ระกันกับความสวยงามในปางดอกไม้เทียวเรียงร้อยถ้วยของอ่ากน้ํำพึ่งคือป่าเป็นยาวนอกจากเป็นยาแล้วมันรักษาคนอื่นด้วยคือน้ําใจเร า, ารักษาน้ําใจซึ่งกันและกันในอ่ากน้ํำพึ่งทันนั้นก็กลายเป็นกองขม ปากไม่ดีเป็นปางขมไปเ่าไม่สบายไม่จางปากจางคองขมไม่หมดเนี่ยมันไม่ใช่ปากทำเพิ่งไม่ใช่ปากเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเราแต่ละวันนเป็นปางอุจจระหรือเปล่าคือสักแตว่าเสร็จพูดก็สักแต่ว่าพูดกินก็สักแต่ว่ากินเหมือนกับปลาอาหารโดยในที่เจ้าหนองเรา จิงเท่ากับไปสุดท้ายปลายทางคืออุจจาระภาษาว่าถ้ารู้อย่างนี้มันก็จะได้ระมัดระวังคือระวังปากเขาเรียกว่ร า, ร, า, า, ร, ร, ร, าระวังปากคําว่าระวังภาษาทางเดียวเดียวสัมรู้เราไม่สํารวมปากไม่ระวังปากมันก็เป็นอย่างเดี๋ยวพูดไม่คิดพอคิดไปแล้วก็กลับมาพูดเหมือนเดิมเนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่านิสัย กุณิสัยประจําตัวทีนี้แต่เราไม่แก่ไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงพัฒนามันก็เหมือนเดิมจริงอยู่ของพวนี้มันแค่ภายนอกแก่กายว่าจารแค่ข้างนอกก็ยังควบคุมมันไม่ได้เคอควบคุมตัวเองไม่ได้ไควบคุมมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันตื่นเต้นเดือดร้อนเดือดร้อนทั้งตัวเองเดือดร้อนทั้งผู้อื่นเ มันอุจจระอุจจระปัสส า, าวะมันอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วแต่พอมันออกไปข้างนอกอ่ะเป็นไงมันเดือดร้อนเพราะนั่งอย่าไปปล่อยอุจจระปัสส า, าวะใส่คนอื่นเขาอยู่ในตัวเราก็มีอยู่แล้วแต่และคนอะไม่เคยที่ไม่มีคือแต่มีแล้วมันไม่แสดงออกปก็ ม, มางเพื่อมันไม่ออกไปวุ่นวายข้างนอก ในทุกคนเหมือนความดีความไม่ดีมีกันทุกคนไม่มีใครไม่มีเพียงแต่ไปแสดงออกทําให้ค น, นอนือน่นเนนดือดร้อนถ้าคนอื่นเดือดร้อนนี่คือการปฏิบัติในทางปฏิบัติปากที่สองคือปากดอกไม้หรือต้นเดียวกันดอกไม้เขาก็มีอยู่แล้วเพียงแต่เรามาจัดระเบียบซึ่งก็คือคําพูดนังเองืองคำพูดของเราไม่ทุกคน พูดดีก็ได้พูดร้ายก็ได้แต่เราดูที่เราเลือกก็จะพูดแบบนี้พูดดีผลมันเป็นอย่างไรพูดร้ายเนี่ยผลเป็นอย่างไรกนะ็ปากลายปากเสียเมื่ะทุกคนมีความคิดทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาคิดไม่ทันตัวเองรู้ไม่ทันตัวเองอันนั้นเราคิดเอาเองอยากคิดว่าคนอื่นเขาไม่ฉลาดอย่าไปควบคุมความคิดคำพูดการกระทาของคนอื่น ครับพูดง่ายคืออยากควบคุมคนอื่นอยู่ในอำนาจอยู่ในวาสนาอยู่ในคําสั่งได้อคอนโทรลแต่นี่คือความคิดของเราซึ่งมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นดีที่สุดคือควบคุมตัวเราเองส่วนเรื่องของคนอื่นแล้วแต่นั่นเป็นความคิดของเขาคําพูดของเขาการกระทําของเข า, า, พ, ขเขาพูดง่ายคือกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเรา ไม่ต้องไปร้อนเขาพูดอย่างไรเขาก็จะได้อย่างนั้นเขาคิดอย่างไรเขาก็จะได้อย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นในเราคนเดียวเรื่องอย่างนี้มันมีทั้งโลกโลกมันเป็นอย่างนี้พรั้นเราไม่ใช่เป็นต้องไปควบคุมคนทั้งโลกโลกเขาเป็นอย่างนี้แหละพี่แต่เราจะไปควบคุมจะไปคิดแต่อย่าจะไปจัดการความคุณมันเป็นเรื่องของโลก เขาอยู่กันอย่างนี้แหละแล เ, เรื่องของโลกมันก็มีกันอย่างนี้ทุกคนไม่มีที่ไหนไม่มีในโลกนี้เรกคิดอย่างนี้ก็สบายสบายใจแล้วคือไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าไปวุ่นวายไปรับคนอื่นมากเกินไปคือไปรักความสุขของทุกคนอื่นอยากจะให้อยากจะเป็นเป็นอย่างนั้นอยากให้คิดอย่างนั้นอยากใครพูดอย่างนั้นเป็นเรื่องของอื่นตรงนั้น แ่ความอยากไม่เป็นลงที่ตัวเองทางทั้งตัวเองก็มีความอยากแต่ว่าเราก็อยากอยากบังคับบัญชาควบคุมกากับดูแลคนอื่นเขามันไม่ถูกใละสุดท้ายก็เดือดร้อนเพราะมันไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดไม่เป็นอย่างที่ตัวเองพูดไม่เป็นอย่างที่ตัวเองอยากจะให้ทำไม่ไดนะ้เป็นที่มาของวุ่นวายก็เพราะเราไม่เข้าใจหลักการอันนี้น มันฟังเสร็จแล้วก็มีไว้ให้ฟังไม่มีไว้ให้เดือดร้อนปากก็เหมือนกันมีให้พูดมันใช้ไม่สร้างความดุดร้างกับตัวเองสมองมีให้คิดมันอยู่ที่วิธีคิดวิธีพูดวิธีทําก็อยู่ที่ตัวตัวเราเองเราพูดยังไงทั้งสออย่างดูที่ตัวเราไม่ได้เกี่ยวกวับคนอื่นเพราะนั้นอยากอยากให้เราเป็นอะไรก็ได้ไปให้ปากอุจจาระก็เป็นได้ ปากดอกไม้ก็เป็นได้ปากน้เพิ่งก็เป็นได้เลือกเอาแต่ผลมันต่างกันท่านั้นเองสรุปว่คือทั้งหมดที่พูดก็ดีพลนาก็ดีคนไหนคนนั้นคนโน้นมันไม่แตกต่างกันจากอันนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตัวเราเองเราไม่ใช่ไปดูควาผิดความไม่ผิดของคนอื่นเขามันไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงพูดง่ายคือบุญ เกิดจากตัวเรานี่แหละถ้าตัวเราไม่ทําตัวให้เป็นบุญบางก็มีสองอย่างคือเป็นบาปเพราะนั้นเองบุญกับบาปมันก็อยู่ด้วยกันมันก็เป็นหยัดยานกันอยู่ที่ว่าเราอยู่กับบุญหรืออยู่กับบาปอยู่กับบุญมันจะไม่เดือดร้อนถ้าอยู่กับบาปมันก็เดือดร้อนบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายก็ชัดเจนอยู่แล้วความหมาย ในขณะที่การบางกับเป็นที่ตั้งใอ้ความเดียดร้อนของสัตว์ทั้งหลายเช่นเดียวกันเพราะในตัวเรามีทุกคนไม่มีใครไม่มีสิ่งหนึ่งพูดง่ายคือไม่มีใครที่ไม่มีบุญไม่มีบาสนี้ทุกคนอยู่ที่อยู่ที่เราคิดแล้วว่าเรามีชีวิตยอยู่เพื่ออะไรก็ถือว่าเรามีโอกาสมีเวลา ที่ได้ทำบุญอีกเยอะๆมากๆแล้วก็จะใช้เวลาที่มีอยู่นี่ให้มันเสียประโยชน์ไปทำบาปบาปมันพอแล้วในชีวิตเราทั้งชีวิตเวลาที่มีอยู่ขอให้เป็นบุญคิดก็เป็นบุญพูดก็เป็นทุาทำเป็นบุญเอาว่าบุญบุญคเนี้เราเป็นนึกจริงๆที่มันคองมยากยาคุณมันไม่ได้ยาก แกนั้นพูดืงองคำวาทานพราเราไม่มีของที่จะทานแล้วของอื่นวิธีทำบุญมันไม่ได้ทานอย่างเดียวศีลรักษาศีลมันก็เป็นบุญภาวนามันก็เป็นบุญภาวนาแล้วก็ไปมุ่งแหงหต่ระหูลบตาเรามาคิดว่าทำให้ใจเราเจริญใจเราดีขึ้นใจเราฉลา ด, ดา น, นั่นคือภาวนาไม่ใช่บอกเขาวัด รับหูรับตารับหูรับตาจริงแต่ใจมันมันไม่หลับปากอาจะเป็นบุญกายบุญแต่ใจมันไม่ได้เป็นบุญมันเพราะใจเราเราไม่ได้คุค้นใจบุญถ้าใจเป็นบุญทุกอย่างเป็นบุญหมดเลามันต้องลงทุนอะไรไหมไม่ลงทุนอะไรเลยแต่ที่เป็นทานมันต้องลงทุนเรื่องกายเรื่องวาจารเรื่องใจนะบุญที่ทจริงคืออันนี้ เหมือนผู้ดีเจ้าของเราอาตธรรมแต่กนมีเยอะแยะมากมายถ้าพูดถึงทุกทานที่พระใจของมีเท้าแต่ทางก็ไม่ได้ทําไม่ได้เอา ม, มาทําบุญเอากายตัวเองเอาบาจาตัวเองเอาใจตัวเองเนี่ยให้เป็นบุญม บ, บุญเกิดขึ้นแล้วมันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเห็นไหมเหมือนผู้ดีเจ้าของเราเน่ะถ้าใจเป็นบุญทั้เดียวคนเป็นบุญอย่างเดียว มันเป็นที่พึ่งของคนเอกหลายร้อยพันหมื่นแสนล้านคนคนมีบุญเป็นอย่างนี้ตามคนบาปต่างกันตรงนี้เพราะนั้นเราเลือกเราเราจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะฉะนั้นที่เราทำอยู่ทุกวันนก็ถือว่าคู่บาอาจารย์เป็นเหตุบุญคือเป็นเหตุให้เราได้ทำบุญในแต่ละที่แต่ละอย่างแต่ละเลือกก็ถือว่าเราได้มีโอกาส ได้มีเวลาได้ทาบุญกับครูบาอาจารย์กับผู้คนทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วคนที่จะเป็นอย่างเนี้ยที่จะทําอย่างเนี้ยอย่างพวกเร า, เราท่านๆมีน้อยบางเราหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านคนที่เป็นบุญคือทําได้อย่างเรามันไม่ได้เยอะคนเราก็ให้ภูมิใจให้นึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นอนุสติอย่าเป็นเรื่องของไม่ดีของกันและกัน พูดแล้วพูดอีกไอ้ของไม่ดีถือว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของทครของท่านไปเรื่องของใครเป็นเรือรเร่องของท่านไม่เกี่ยวกับเราเราก็ได้แต่บอกเราแต่เดือนคนที่บอกกัดเตือนครูอาจารย์มีอยู่แล้วคอยแนะนำคอบอกเขาเกา่าสวดเจ้าฟังไม่ฟังมันแล้วแต่เขาเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าคนบุญมันก็ฟังคนบาปมันก็ไม่ฟังมันก็แค่นี้แต่ก็บุญบาปก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรา มันเป็นคนบาปมันจะเอาบาปของเรื่องของมันเนี่ยในครัวแจงพยาที่แนะนำธรรมสอนเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างดูเป็นตัวอยา่างเมื่อพูดให้จําทําให้ดูกอพูดอยู่อย่างนั้นพูดให้จำํำเพื่อให้จําเพื่อเกิดสัญญาทําให้ดูเพื่อนเป็นต้นแบบเป็นตัวอยา่างทําอย่างนี้พูดอย่างนี้เขียนอย่างนี้แต่ไม่ตาม มันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่แทบไม่มีประโยชน์อะไรก้นโอกาสช่วงที่เรายัางมีชีวิตอยู่ยังมีลมาหายใจอยู่เราเริ่มเริ่มต้องคิดได้ด้วยตนเองแล้วว่าเราจะอยู่แบบคนบนุญหรืออยู่แบบคนบานปถ้าอยู่แบบคนบุญก็คือคิดโพรรูดทำต้องเป็นเรื่องที่เป็นบนุญถ้าอยู่แบบคนบาปคือคิดโพรรูดทำที่เป็นบาป เดือดร้อนคือทั้งเดือดแล้วก็ร้อนเห็นไหมเหมือนน้ำทั้งเดือดแล้วก็ร้อนด้วยไปรดกับใครมันก็ร้อนหมดคําพูดก็เหมือนกันปากอชระอย่างเนี้ยไปรดกับใขรมันก็เป็นปลาไปหมดมันร้อนไปหมดไปร้อนราทั้งเดือดทั้งร้อนด้วยถ้ากายประจ่าเราเย็น ท, ที่เท่าไหร่มันก็เยน็นเหมือนเดินภาอากาศนต่ securing. มันก็จะเยน็นไปหมด อยู่ที่เราจะทำตัวให้มันร้อนหรือเย็นนะ่ะก็อยู่ที่เราท น, นนะเราเลือกได้เพราะนั้นทั้งหมดนี้จือเป็นอุทธรหอนเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบแ่บที่ผ่านมาก็ดีมันแล้วไปแล้วมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วเอาที่เป็นอยู่ตอนนี้ส่วนที่ยังไม่มาถึงก็ช่างมือก็ยังไม่มาถึงเอาปัจจุ บ, บันเพราะนั้นเวลาเลี้ยงเวลาทำความดี เขาเรียงลำดับก็คืออดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันดูจากคําสวดของเราเลยอดีตัตงนันวากัรเมยะนับปฏิกินแค่อนาคตังเห็นไหมมันเป็นธรรมะอันที่สวดอยู่เนี่ยเขาบอกอดีตอนาคตเขาเรียงลําดับอย่างนี้ยเวลาเราสวดแต่เราเรียงเวลาเราเรียงว่าอดีตปัจจุบันอนาค ต, าค ต, าคตปัจจุบันก็อยู่ตรงกลาง แต่ถ้าคิดเป็นธรรมจริงบาอกอดีตอันนี้คือจบไปแล้วเนาะแทบไ ม, ม่มีประโยชน์อะไรอนาคตก็เช่นเดียวกันสิ่งที่แช่อยู่ก็คือปัจจุบนันตัวสุดท้ายอาดีตอนาคตปัจจุบันอดีตต่างนานาไม่แยกนาปฏิันเคศอนาคตต่างแล้วก็อยู่ที่ลงที่ปัจจุบนันนให้เราอยู่กับปัจจุบนันจําไว้ว่ามีอะไรก็ตามให้อยู่กับปัจจุบนัววบจจบน เดีวเราจะรู้ความจริงอ่ะปัจจุบันนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบุญก็พัฒเพิ่มถ้าเป็นบาปก็หายลดละเลิกนี่เรียว่าปัจจุบันส่วนบุญบาปในอดีตมันสําเร็จไปแล้วอนาคตมันยังไม่สําเร็จพก็แค่นี้เองอมันอยู่ที่วิธีคิดละทีนี้อยู่ที่วิธีอยู่ที่พวกเราจะทําให้เป็นบุญหรือเป็นบาป ขอฝากพวกเราทุกคนปฏิบัติเราการได้ทั้งบนแม้แต่สมณพระเนรเองก็เช่นเดียวกันปฏติว่าไปไปทําบุญไปสร้างบารมีที่สำคัญ ค, ค, คือไปช่วยช่วยในานามของวัดเรารเพระเนรปฏิบัติว่าวสันติธรรมชนะศรัทธาญาติโยมก็สันติธรมธรมให้ใช้ก็ว่าสันติธรรมเยี่ยมพระเนรวัดนั้นวัน น, นี้วัดโ น, น้นสังกัดที่นั่นที่นี่ ถึ่แม้มาอยู่แล้วก็ยังสังขารดวัดนั้นวันนี้ลานให้ไม่ชจ้าก็สันติธรรมหน้าขนาดนี้สันติธรรมญาติโยมก็เหมือนกันต้องสันติธรรมในนามสันติธรรมจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี่มันเสียเนี่ยมันไม่ได้เสียแต่ญาติโยมไม่ได้เสียระพนเอ็นสมรว่าไปเนี่ยสมรสระพนเอ็นเราทำตัวไม่ดีพระเอ็นวัดสันติธรรมเห็นม่ญาติโยมก็เช่นเดียกันเปิดคณะสัทธาวัดสันติธรรม เขาไม่ได้บอกขอเขางงเราต้องนึกแบบนี้ด้วยนะถ้าเราไม่นึกอย่างเนี้ยนต่างต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดอมันมันก็จะเป็นอย่างเนี้ความนับถือว่าเราไปในนามของสันติธรรมเพราะเราจะชื่อเสียงกิยามารา ย, ยาการกระทําสิ่งที่ต่อมาสิ่งชั่วรธรรมามาก็บอกโอ้พระเนรวัตสันติธรรมยัดโยมคณะสัทธาวัตสันติธรรมเป็น เป็นหน่วยเป็นองค์กรของวัดเราก็เชื่อว่าเราเป็นคนรักษาสถาบันศึกษาบตาตารักษาคุูบ า, าจารย์สาคัญที่สุดคือครูาจารย์ที่ทำมาดีมาทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการรักษาคุูบ า, าจารย์ถ้าไม่งั้นมันแก่เป็นตรงกันข้ามคือทําลายคุูบ า, าจารย์เราเลือกเองว่าเราจะเป็นผู้รักษาหรือจะเป็นผู้ทาําหล่าก็เลือกได้ทั้งนั้น อั น, นคือกติ ข, อข้อคิดสําห ร, รับฝากให้พวกเราทุกคนเรียวคนบุญต้องคนมีบุญจึงมีโอกาสได้ทําบุญดังที่หลวงพ่อประสิทธิ์ตรัสเอาไว้ก็ขออนุโทนาบุญพวกเราทุกบุญทุกการกระทําที่เป็นบุญคนบุญอันนี้จึงเป็นผลสะท้อนย้อนถึงเกี่ยวบรรพบุพรุษของเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหลา น, น จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทาเป็นทุกครั้งทุกที่ทุกกรณีตลอดไปกออนุโมทนา